และเพื่อยานคือความอย่างรู้นั่นก็คือว่าเพื่อให้รู้ว่ามีเกิดเป็นธรรมดามีดับเป็นธรรมดามีทั้งเกิดทั้งดับเป็นธรรมดาตอนนี้ ก็เข้าขั้นที่จะเป็นมีปรัสนาแต่อันที่จริงนั่นจะเรียกว่าอนุปรัสนาก็ได้คือเป็นการตามดูตามรู้ตามเห็นเหมือนกันก็คือว่า เกิดเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดานั้นก็ปรากฏอยู่แกลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่มีอยู่นี่แหละเพราะว่าคำว่ามีอยู่นี่ไม่ใช่หมายความว่า ตั้งอยู่เป็นความตั้งอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่อันที่จริงนั่นก็เข้าออกนั่นแหละเป็นตัวความเกิดความเข้าก็คือว่าเกิดออกก็คือว่าดับ แต่ว่ามีสันตติคือความสืบต่อเนื่องไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงเหมือนอย่างว่าลมหายใจเข้าออกนี่ไม่มีดับแต่อันที่จริงนั้นมีเกิดมีดับอยู่ทุกขณะที่หายใจเข้าหายใจออก ความเกิดความดับจึงปรากฏแก่ปัญญาหรือญาณที่กำหนดได้เพราะฉะนั้นก็เป็นความตามดูตามรู้ตามเห็นอีกเหมือนกันคือว่าตามดูในอาการที่เกิด องลมให้ใจในอาการที่ดนับของลมให้ใจและให้รู้จักว่ามีสัน ต, ติคือความสืบต่อขาดสัน ต, ติคือความสืบต่อขาดเช่นว่ากลั่นลมให้ใจ หรือว่าจมน้ำหรือว่าถูกรัดคอเป็นต้นหากว่าสันติคือความสืบต่อขาดในระยะที่ยังไม่เป็นอันตรายแก่ชีวิตชีวิตก็ดำรงอยู่ได้ถ้าขาด จนถึงขีดเป็นอันตรายแก่ชีวิตชีวิตนี้ก็ดับในที่สุดที่เรียกว่าปรณะคือความตายฉะนั้นลองกลั้นลมให้ใจดูจะเห็นว่าเมื่อสันติขาดแล้วเป็นยังไง ก็จะพบทุกขเวทนารั้นเมื่อเลิกกลั้นลมให้ใจปล่อยให้ให้ใจไปตามปกติเป็นยังไงก็รู้สึกว่าเกิดสุขขเวทนาแต่ว่าในขณะที่ไม่ได้ลองกลั้นลมให้ใจและเลิกกลัน้นปล่อยให้ให้ใจตามปกติ ก็จะไม่่อยรู้สึกว่ามีสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเพราะลมหายใจเป็นเรื่องที่เป็นไปาตามปกติธรรมดาก็มีเวทนาเหมือนกันเรียกว่าเป็นเวทนาที่เป็นกลางกลาที่ไม่สุขแรงนักไม่ทุกขแรงนัก อันที่จริงก็มีสุขมีทุกข์อยู่แต่ม่ไม่แรงนักจนเป็นที่ปรากฏชัดก็เป็นอุเบกขาวเวทนาก็จับเวทอย่างหนึ่งจากลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันเวทนานี้ เป็นสิ่งที่มีประจำอยู่ในกายและจิตหรือในกายและใจอยู่ตลอดเวลาเป็นลักษณะของความที่ยังมีชีวิตอยู่ของกายใจอันนี้ ซึ่งจะต้องมีเวทนาอยู่เสมอเป็นเวทนาทางกายเป็นเวทนาทางใจเพราะฉะนั้นเวทนานี้จึงเป็นตัวนามธรรมขณะนี้ที่หยาบประกอบอยู่ทั้งทางกายทั้งทางใจเวทนาที่ประกอบอยู่ทางกายนี้ ก็ไม่เทกกายเป็นความรู้สึกหรือเป็นความรู้อย่างหนึ่งในขณะที่ร่างกายยังมีประสาททั้งหลายเป็นปกติ และโดยเฉพาะเวทนาทางกายนี้ย่อมเกิดขึ้นสัมผัสสิ่งที่ถูกต้องทางกายอันเป็นอายตนะที่ห้า อันอายตนะนั้นมีหกภายในหกภายนอกหกคู่กันกายเวทนาจิตก็คู่กันตาหูจมูกลิ้นกายและมณะคือใจ เป็นอาจจนะภายในรูปเสียงกินรสผลพะและธรรมะคือเรื่องราวเป็นอาจจานะภายนอกตากับรูปก็คู่กันหูกับเสียงก็คู่กัน จมกูกับเกล็ด ก, ก็คู่กันเล่นกับรถก็คู่กันกายและผลธภาคือสิ่งที่กายถูกต้องก็คู่กันมณะคือใจและธรรมะคือเรื่องราวก็คู่กันโดยเฉพาะคู่ที่ห้าก็คือกาย และผพทพะคือสิ่งที่กายถูกต้องครูนี่แหละที่ทำให้เกิดเวทนาทางกายทั้งสุขทั้งทุกข์และทั้งที่เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขดังจะพึงเห็นได้ว่ากายที่มีกายประสาทยอยู่เป็นปกติ เมื่อได้รับโลทัพะคือสิ่งที่กายถูกต้องจะเป็นดินฟ้าอากาศก็ตามเป็นสิ่งอื่นก็ตามที่เกื้อกูลให้เกิดความสุขก็เกิดสุขเวทนาทางกายเห็นเวลาที่ร้อน ก็ได้รับลมพัดให้เย็นในเวลาที่หนาวก็ได้รับความอบอุ่นเกิ จ, จากไฟก็ตามจากเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ตามดังนี้ก็เกิดความสุขเป็นความสุขทางกายถ้าหากว่า ไม่ได้รับสิ่งที่เกื้อกูลให้เกิดความสุขทางกายได้รับตรงกันข้ามก็เกิดทุกขเวทานาทางกายเช่นต้องพบกับอากาศที่ร้อนมากหนาวมากหรือว่าต้องประสบกับของแข็ง ที่มากระทบกระทั่งให้บอบช้ำลำบากตลอดจนถึงต้องสัตว์ระอาวุธเหล่านี้ซึ่งเป็นเครื่องทำให้เกิดความทุกข์ก็เกิดทุกขเวทนาทางกายถ้าหากว่าสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย ที่เป็นตัวผลตับพระมากระทบกระทั่งนั้นเป็นกลางกลาไม่ให้เกิดทุกข์มาให้เกิดสุขอะไรมากนักก็เป็นเวทนาที่เป็นกลางกลาก็เป็นดังนี้อ ย, อยู่ตลอดเวลานี่เป็นทางกายส่วนว่าสัมผัส ที่เกิดจากอาจารณะคู่อื่นๆคือว่าเกิดจากตากับรูปประจบกันหูกับเสียงประจบกันจมูกกับกลิ่นประจบกันเลนกับรสประจบกัน และมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวไปจวบกันในอีกห้าทางนี้ก็ให้เกิดเวทนาทางใจเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างเพราะฉะนั้น ยังต้องทำความเข้าใจให้รู้จักเวทนาทางใจนี้อีกสักน้อยหนึ่งดังเชิงตากับรูปประจบกันก็หมายความว่าเห็นรูปหากว่ารูปที่เห็นนั้นเป็นรูปที่ เป็นที่ตั้งของความชอบใจพอใจก็ให้สุขก็ให้เกิดสุขเวทนาทางใจถ้าเป็นรูปที่ไม่ทาให้ที่ที่ไม่เป็นที่ ท, ที่เป็นที่ตั้งของความไม่ชอบเกลียดชังก็ให้เกิดทุกขเวทนาทางใจ คำว่าตากับรูปประจวบกันนั้นจึงหมายถึงอย่างนี้ตาเห็นรูปรูปที่เป็นที่ตั้งของความชอบก็มีความชังก็มีก็ให้เกิดสุขเวทนาให้เกิดทุกขเวทนาทางใจไปตามประเภทแต่ไม่เชียหมายความว่ารูปที่เป็นวัตถุนั้น เห็นว่าผงเข้าตาผงเข้าตาก็เกิดความแสบคันถ้าเป็นเรื่องเช่นนี้ไม่ใช่หมายความว่าตากับรูปประจวบกันดังกล่าวนั้นแต่ไปเข้าข้อข้อที่ห้าคือกายและผลธรระเพราะว่า ผงเข้าตานั่นหมายถึงตาที่เป็นส่วนกายไม่ใช่ประสาทที่ให้เห็นไม่ใช่เป็นตัวความเห็นรูปและผงนั่นก็เป็นผลพัฒคือสิ่งที่กายถูกต้องก็เกิดแสบคันเะ็บปวดขึ้นดังนี้ก็มาเข้าข้อที่ห้าไม่ใช่เข้าข้อที่หนึ่ง ที่เข้าข้อที่หนึ่งคือตากับรูปประจวบกันก็หมายถึงที่ตาเห็นรูปรูปที่เห็นนั้นเป็นที่ตั้งของความชอบหรือไม่เป็นที่ตั้งของความชอบก็ให้เกิดสุขให้เกิดทุกข์ไปตามประเภทแม้ในข้อที่สองก็เหมือนกันหูกับเสียงประจบกันก็หมายถึงว่าได้ยินเสียง เมื่อได้ยินเสียงที่พอใจก็ให้เกิดสุขที่ไม่พอใจก็ให้เกิดทุกข์แต่ว่าถ้าเป็นเสียงชนิดที่ว่าเช่นว่าเสียงดังเกินไปทําให้แสบแก้วหูถ้าเป็นดังนี้ก็ไปเข้าข้อที่หาคือกายและผลธรรมะเพราะว่าอาการที่แสบแก้วหูนั้นเป็นเรื่องของกาย คือส่วนกายแล้วก็ตัวเสียงนั่นเองก็เป็นตัวผธภัที่มากระทบทำให้แสบแก้วหูหรือจนถึงทำให้หูตึงหูหนวกก็มาเข้าข้อที่ห้าคือกายและผลภัส่วนที่เป็นข้อที่สองหูกับเสียงนี้หมายถึงว่าได้ยินเสียง ได้ยินเสียงที่น่าพอใจไม่แน่พอใจเช่นว่าได้ยินเสียงที่พอใจถ้าใครพอใจฟังธรรมะได้ฟังธรรมะที่พอใจก็เกิดความสุขเวทนาทางใจหรือใครที่พอใจจะฟังเสียงอย่างอื่นเมื่อได้ฟังเสียงอย่างนั้นแล้วก็เกิดความสุขขึ้นก็เกิดสุขเวทนาทางใจ แต่ว่าถ้าเป็นเสียงที่ไม่น่าพอใจเช่นว่าเสียงด่าเสียงว่าเลยเป็นต้นมันกระทบกระทั่งใจเข้าก็เกิดทุกขเวทนาทางใจขึ้นมาดังนี้ก็ให้เกิดทุกขเวทนาทางใจเกี่ยวแก่อายยนานะคอหูกับเสียงนี้จมูกกับกลิ่นก็เหมือนกันก็หมายถึงกลิ่นที่ชอบหรือไม่ชอบใจน้อก็เกิด ทุกข์หรือสุขทางใจขึ้นลิ้นกับรถก็เหมือนกันก็หมายถึงว่ารถที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็เกิดทุกข์หรือสุขทางใจขึ้นและมาถึงข้อสุดท้ายคือมโนใจกับธรรมะคือเรื่องราวก็เหมือนกันก็ถ้าเป็นเรื่องที่พอใจ ก็ทำให้เกิดสุขเวทนาแต่ไม่พอใจก็ให้เกิดทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นสำหรับที่ให้เกิดเวทนาทางกายนั้นจึงมีข้อเดียวคือข้อกายและผลทัพะส่วนข้อตากับหูข้อตากับรบูปหูกับเสียง กลิ่นกับรถกลิ่นกับจมูกกับกลิ่นเล่งกับรถและใจกับธรรมะคือเรื่องราวนั้นให้เกิดสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาทางใจฉะนั้นบุคคลจึนต้องมีเวทนาทางกายทางใจกันอยู่ตลอดเวลา ที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆงไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างและเวทนานี้เองที่เป็นต้นทางให้เกิดราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรธลงหรืออีกอย่างหนึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดตัญหาความริ้นนนทยานอย่าง ดังที่พระพุทธเจ้ากรัแสดงไว้ว่าเวทนาปฏิญาตันหา้าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาคือความริ้นดนทะยันอยากเพราะฉะนั้นอันตัวกิเลสตัณหาก็ดีราคะโทสะโมหก็ดีหรือว่าโลกหลดหลงก็ดี ที่บังเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลนั้นย่อมสืบเนื่องมาจากเวทนาดังกล่าวมาจะต้องมีเวทนาขึ้นก่อนเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างซึ่งเวทนานี้เอง เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาหรือให้เกิดกิเลสทั้งหลายดังกล่าวนั้นอันตัวเวทนานั้นอันที่จริงก็เป็นขันข้อหนึ่งในขันห้าซึ่งขันห้านี้ เป็นวิบากคือผลของกรรมและกิเลสซึ่งเป็นชนะ ก, กรรมให้เกิดมาเกิดก่อขันห้าขึ้นมาเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ย่อลงเป็นกายใจอันนี้เพราะฉะนั้นตัวขันห้าหรือตัวกายใจหรือนามารูปเป็นวิบากขันไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลแต่เป็นตัวกลางๆ ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเป็นตัวกลางๆเพราะฉะนั้นตัวขันห้าเองนี่จึงเป็นอภยกระตธรรมธรรมะที่เป็นกลางๆเป็นตัวผลเป็นตัววิบากไม่จัดว่าเป็นบุญไม่เป็นบาปว่าเป็นบาปไม่จัดว่าเป็นบุญไม่จัดว่าเป็นบาป จัดว่าเป็นกุศลไม่จัดว่าอากุศลเป็นตัวมีบากรึรื่งเป็นกลางกลงแต่ว่าบุคคลหรือว่าจิตนี้ก็อาศัยขันห้านี่แหละทำดีบ้างทำชั่วบ้าง ทำบาปบ้างทำบุญบ้างกุศลบ้างอกุศลบ้างหรือว่าทำเป็นกลางๆไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญบ้างกันอยู่และเพราะเหตุนี้จึงกล่าวว่าเป็นปันใจจัยให้เกิดตัณหาหรือเกิดกิเลสทั้งหลาย และบรรดาขันที่จะเป็นปัจจัยดังกล่าวอย่างชัดเจนนั้นก็คือตัวเวทนานี้เองฉะนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อได้ทรงตรัสสอนให้ทมสติกำหนดกายแล้วซึ่งนับว่าเป็นหยาบ ก, กำหนดง่าย จึงได้ตรัสสอนให้ทำสติกำหนดเวทนาตามรู้ตามดูตามเห็นเวทนาและเมื่อมีสติกำหนดเวทนาอยู่ก็คือว่าทีแรกก็กำหนดว่าเวทนามีอยู่ดังกล่าวนั้นนั่นเองเพื่อเป็นที่ตั้งของสติ ให้เวทนาเป็นอารมณ์ตั้งอยู่ในจิตไม่หายไปจากจิตก็เพื่อเป็นที่ตั้งของสติก็กำหนดตามดูตามรู้ตามเห็นภายในภายนอกทั้งภายในทั้งภายนอกนั่นแหละ จะกำหนดคร้อมมากำลมให้ใจเข้าออกก็ได้แต่ไม่มุ่งที่จะกำหนดลมลมให้ใจดังนั้นแต่มุ่งกำหนดตามรูตัวเวทนาที่ได้จากการให้ใจที่จะเกิด ข, ขึ้นจากการให้ใจดังนี้ก็ได้และเวทนาที่บังเกิดขึ้น นี่ก็เป็นภายในหายไปก็เป็นภายนอกเพราะเวทนานี้ก็มีความเกิดขึ้นและดับไปอยู่เช่นเดียวกับลมหายใจเหมือนกันหากกำหนดแล้วจะเห็นได้เช่นวันสุข เกิดขึ้นก็ไม่ใช่หมายความว่าจะเกิดขึ้นตลอดไปเช่นว่าเมื่อยืนนานๆก็นั่งก็รู้สึกว่าเป็นสุขฉันนั่งนานๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นสุขซะแล้วเป็นทุกข์ต้องยืนขึ้นมาอีกดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแม้สุขทุกข์นี้ ก็มาเลยไปมาเลยไปสลับกันไปอยู่เสมอตลอดเวลามนโนคือใจและธรรมะคือเรื่องราวก็เช่นเดียวกันเมื่อประจบกันก็ต้องเกิดเวทนาขึ้นก่อนเป็นที่ชอบใจก็ทุกข์ไม่ชอบใจก็ชอบใจก็สุขไม่ชอบใจก็ทุกข์ ก็เป็นอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าสุขทุกข์ที่เป็นตัวเวทานานี้มาและไปอยู่ตลอดเวลาทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางใจบ้างและทางกายอันเป็นของหยาบนั้นบ้างตามอารมณ์ที่มาประสบนั้นเอง พราฉะนั้นคนเรานั้นต้องประสบอารมณ์ร้อยแปดอยู่มากมายไม่สามารถจะนับทวนสุขทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขซึ่งเป็นตัเวทนาก็เกิดขึ้นมากมายนับไม่ทวนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อหัดทำสติกาหนดกายแล้วก็ให้มาหัดสติกาหนดเวทนา จะได้ให้ทันเวทนามากขึ้นและเมื่อทันเวทนามากขึ้นแล้วก็จะเป็นการระ ง, งับอิเลสได้มากต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสตดและตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป